บทที่เจ็ดหกสิบกับเจ็ดสิบสองทันทีที่นายสมชายเปิดประตูห้องพิเศษผู้คนก็ทะลักเข้ามาข้างในต่างเบียดเสียดยัดเยียดกันจนแทบจะวางมวยกันนายสมชายจึงต้องทำหน้าที่จัดคิวคนที่เบียดเข้ามาได้ก่อนเป็นสตรีวัยกลางคน นุ่งผ้าถุงลายไทยสีส้มอมน้ำตาลเสื้อดอกสีเหลืองลายไม่ไปด้วยกันกับลายผ้าถุงหล่อนกราบสามครั้งแล้วเรียนว่าหลวงพ่อเมื่อคืนฉันฝันว่าหลวงพ่อให้พระบูชาฉันองค์หนึ่งน้ำเสียงที่พูดบ่งบอกว่าเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิดโยมมาจากไหนละ่ะท่านพระครูถาม เพื่อความแน่ใจว่าต้องใช่คนสุพรรณฉันมาจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจะ้ะหลอนออกเสียงสุพรรณเป็นสุพรรณมาคนเดียวหรือว่ามากับเพื่อนบ้านมากับลูกสาวกับลูกเขยจะ้ะหลอนตอบลูกสาวลูกเขยของหลอนนั่งอยู่หลังห้องเพราะไม่สามารถเบียดคนอื่นเข้ามานั่งข้างหน้าได้แล้วรู้จักอาตมาได้ยังไง หรือว่ารู้จักหนังสือพิมพ์ฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์หรอกจา้าหลวงพ่อฉันเป็นชาวนาเช้าก็ต้องไปทำนาเย็นก็ต้องกลับมาหุงข้าวกินไม่มีเวลาไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เปลืองเงินโดยใฉ่เหตุตอนพวกบ้านเขายังอยู่ฉันก็เคยอ่านบ้างเวลาที่เข้าเข้าเมืองแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือมา แต่พอเขาตายฉันก็ไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์อีกเลยหลอนตอบค่อนข้างละเอียดกระนั้นก็ยังตอบคำถามได้ไม่ครบถ้อยกระทงความเอาละอาตมารู้ว่าโยไม่ได้รู้จกักหนังสือพิมพ์แต่ทำไมถึงมาถูกละ่ะแล้วก็รู้จักอาตมาได้ยังไงท่านถามอีกก็ฉันมาตามฝันนะจ้ะ ฉันฝันเมื่อตอนตีสี่ว่าได้ไปขอพระบูชาจากท่านพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงตอนที่ท่านอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรีให้รีบไปขอทำไมเช่นนั้นท่านจะให้คนอื่นไปเสียก่อนพอรุ่งเช้าฉันก็เลยชวนลูกเขยกับลูกสาวมาพอดีลูกสาวกับลูกเขยเขาจะมาขึ้นบ้านใหม่ เขาก็เลยมาขอพระพุทธรูปจากฉันไปบูชาฉันก็ไม่มีเงินที่จะไปเช่าให้เขาพอดีก็มาฝันเสก่อนฉันก็เลยลองมาดูพอดีฉันก็เห็นพระพุทธรูปอยู่ในห้องหลวงพ่อพอดีแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะให้หรือเปล่าพอดีฉันฝันเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชยัยขนาดหน้าตักว้างก้านิ้ว ฉันก็ไม่รู้ว่าจะใช่อง์นี้ไหมพอดีมีคนเขาเพิ่งมาถวายพอดีนี่แหละเขาเรียกว่าพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยหน้าตากว้างเก่านิ้วพอดีโยมมาพอดีเลยนะท่านพูดล้อเลียนหล่อนที่ใช้คำว่าพอดีมากจนเกินพอดีคนที่นั่งในห้องก็พากันอมยิม้มที่พระอาพาธยังมีแก่ใจพูดขำๆ ไม่ยักกังหันหงิดอารมณ์เสียเหมือนคนป่วยทั่วๆไปตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ฉันใช่ไหมจ้ะแปลว่าฉันมาพอดีเวลาพอดีเลยรอนยังคงไม่ทิ้งคำว่าพอดีตกลงจ้ะเพราะโยมาถูกเวลาพอดีแต่ก่อนจะรับไปก็ต้องตกลงกันก่อนไหนลูกสาวลูกเขยนั่งอยู่ตรงไหนช่วยยกมือขึ้นสิ จะได้เห็นหน้าเห็นตากันมองไปที่หลังห้องก็พบชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งอายุประมาณยี่สิบเศษยกมือขึ้นจึงพูดต่ออีกว่าเอาละตกลงหลวงพ่อจะให้พระพุทธรูปไปบูชานะแต่โยมจะต้องหมันไหว้พระสวดมนต์สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็พาหุงมหากาต้องสวดทุกวันนะ แล้วจะทำมาค้าขึ้นสวดได้ไหมล่ะรู้จักพุทธคุณหรือเปล่าไม่รู้จักค่ะพุทธคุณคืออะไรค่ะหลวงพ่อลูกสาวคนสุพนธ์ถามพุทธคุณก็คืออิติปิโสไงท่องได้ไหมอ๋อได้ค่ะหนูสวดทุกคืนก่อนนอนหญิงสาวตอบแล้วอิติปิโสมีผัวไหมคะ หัวอิติปิโสมีไหมสตรีสูงอายุที่นั่งติดกับสตรีที่มาจากสุพรรณถามขึ้นหล่อนตั้งใจจะมาให้พระอาหารหันช่วยดูเนื้อคู่เพราะเกิดอยากจะมีคู่เอาเมื่อตอนอายุห0สิท่านพระครูเห็นหล่อนถามแปลกๆจิงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบเพียงกระพริบตาเดียวก็รู้เรื่องราวทั้งหมดจึงตอบได้ทันท่วงทีว่ามีสิ ทำไมจะไม่มีแล้วผัวอิติปิโสเป็นใครคะอยู่ที่ไหนหล่อนแทบจะละล่ำละลักถามขนาดอิติปิโสยังมีผัวได้เช่นไหนหล่อนจะมีบ้างไม่ได้ท่านพระครูตอบว่าผัวอิติปิโสก็คือสามีจิปฏิปันโนยังไงล่ะแล้วกันไม่รู้จักผัวอิติปิโซสซะแล้ว คนฟังก็พากันหัวเราะคลืนราวกับนั่งดูรายการตลกโชว์สาวัยห0สิไม่เข้าใจว่าเขาหัวเราะ อ, อะไรกันเพราะหล่อนไม่รู้จักทั้งอิติปิโสและสามีจิตปฏิปันโนเนื่องจากไม่เคยสวดมนต์ บุรุษวัยเจบสองนั่งอยู่ทางด้านหลังหล่อนภรรยาเขาเพิ่งตายและชาปนกิจไปไม่ถึงเดือนเขารู้สึกว้าเวที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวลูกเต้าก็ไปทำงานและหลานไปโรงเรียนพอได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็เกิดความคิดมาว่าจะต้องมาให้พระอรหันต์ช่วยหาคู่ให้จึงได้สู้อุตสาห์ขับรถจากกรุงเทพมาสิงห์บุรีด้วยความเร็วแปสิกิโลเมตร ต่อชั่วโมงตามที่ลูกสั่งหลวงพ่อครับอย่างผมเนี่ยพอจะแต่งงานอีกสักครั้งได้ไหมครับผมเป็นข้าราชการบำนาญภรรยาเพิ่งเสียชีวิตผมว้าเวมากอยากหาแม่บ้านไว้ช่วยดูแลโยมอายุเท่าไรแล้วล่ะเจ็ดสิบสองครับแต่ผมยังแข็งแรงเพราะออกกำลังกายทุกวันเขาตอบพร้อมโฆษณาตัวเองเสร็จสับ โอ้โหหกรอบแล้วหรืออาตมานึกว่าสักหกสิบนมวัยเจ็สิบสองรีบสนองว่าครับไม่เคยมีใครทายอายุผมถูกสักคนเดียวขนาดหลวงพ่อเป็นถึงพระอรหันก็ยังทายผิดเขาพูดยกตนข่มท่านอาตมาไม่ใช่พระอรหันอาตมาเป็นพระอรหต่างหากท่านพระครูต้องพูดประโยคนี้ซ้ำ วันละหลายสิบรอบอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเห็นหนอบอกว่าพ่อไม้ไวัยเจ็ดสิบสองผู้นี้จะมาพบเนื้อคู่อายุหกสิบเป็นสาวโสดออกจากโรงพยาบาลไปเขาจะชวนผู้หญิงนั่งรถเขาพากลับกรุงเทพจากนั้นอีกเจ็ดวันก็จะไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เพราะ ลูกเขาจะจัดพิธีแต่งงานให้อย่างเอิ ก, กเกริกหลวงพ่อคะช่วยดูเนื้อคู่ให้ดิฉันได้ไหมคะสาววัยห0สิบตัดสินใจพูดขึ้นเพราะคิดว่าถ้าโมแต่อายก็คงไม่ได้ดั่งใจหวังอัตมาไม่ใช่หมอดูนะดูให้ไม่ได้หรอกแต่ถึงจะไม่ใช่หมอดูอัตมาก็พอจะรู้ว่าคนที่พินคู่กันนะนั้นจะต้องรักกัน และสาเหตุที่ทำให้เกิดความรักนั้นก็มีอยู่สองประการโยมอยากรู้ไหมละ่ะอยากค่ะอยากครับสาววัยหกสิบกับหนุ่มวัยจสิบสองพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคนอื่นๆก็อยากฟังหากไม่กล้าพูดเอาละ่ะถ้าอยากฟังก็จะพูดให้ฟังแต่ไม่ใช่อัตมาพูดเองนะ เป็นพระวจนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าบุเพวสันนิวาสปัจจุป ป, ปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตปะมังอุ ป, ปะลังวะยะโทธทะเกติความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุสองประการนี้คือประการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่ง การที่ได้เกือกูลกันในปัจจุบันหนึ่งดุจ ด, ดอกบัวเกิดในน้ำาฉะนั้นที่อาตมาพูดเนี่ยมีหลักฐานประเดี๋ยวจะหาว่าอ้างทรงเดชใครอยากพิสูจน์ก็ให้ไปดูในธรรมบทภาคห้าตกลงหลวงพ่อจะให้พระพุทธรูปฉันแล้วใช่ไหมจะ๊ะสตรีที่มาจากสุพรรณเอ่ยขึ้นท่านพระครูจึงบอกให้ในายสมชายช่วยยกพระพุทธรูปมามอบให้หลอน คนรับดีใจรีบกราบปลกปลกสามครั้งแล้วก็ครานออกมาก่อนจะออกจากห้องไปยังหันมาพูดกับท่านว่าแม้ฉันมัวแต่ดีใจที่ได้พระลืมถามไปว่าหลวงพ่อเป็นอะไรถึงต้องเข้าโรงพยาบาลและทำไมต้องใส่เสื้อเกราะข า, ขาวตั้งครึ่งตัวอยากรู้ก็นั่งฟังก่อน เรื่องมันยาวต้องใช้เวลาเล่านานท่านพระครูตอบดีใจนิดนึงที่หล่อนยังอุตส่าห์ห่วงท่านถ้ายาวฉันคงไม่ฟังหรอกจ้ะประเดี๋ยวจะมืดค่ายังไงก็ขอให้ท่านกรับวัดเร็วๆก็แล้วกันหลอนอุตส่าห์อวยใจให้พรลูกสาวกับลูกเขยหล่อนก็กราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลูกตามไปคนทั้งสามออกไปยังไม่ทันถึงห้านาที พยาบาลทำหน้าที่ดูแลอาการป่วยของท่านก็เข้ามาลอนหมายตาพระพุทธรูปไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคิดว่าให้คนซาลงอีกหน่อยค่อยมาขอแต่ยิ่งบ่ายคนก็ยิ่งมากขึ้นเกรงว่าคนอื่นจะขอไปเสียก่อนจึงตัดสินใจเข้ามาขอทัทงท้งๆที่คนแน่นนี่แหละครั้นเข้ามาไม่เห็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่เดิมจึงได้ถามขึ้นว่า หลวงพ่อคะพระพุทธรูปหายไปไหนแล้วเมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลยมีคนมาขอไปเมื่อกี้นี่เองหนูถามทำไมหรึหนูจะขอหลวงพ่อนาสิคะพระพุทธรูปที่บ้านองเล็กไปหน่อยหนูสาหมายตาไว้มีคนมาขอตัดหน้าไปเสียได้ลอนพูดอย่างแสนเสียดายไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาขอใหม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาถวายสามองค์เลยท่านบอกเพราะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติธรรมและก็เดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าไม่ว่าท่านจะพูดหรือคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรเหตุการณ์จะเกิดตามนั้นจริงๆ แรกๆท่านเห็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ครั้นนานๆเข้ากลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงขั้นวิมุตต์หลุดพ้นคนที่ไม่เข้าใจไม่ศึกษาธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมก็พากันคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์จึงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถดนบันดาลอะไรๆให้ใครๆก็ได้ พวกเขาไม่เข้าใจความหมายที่แท้ของคำว่าอารหันถึงท่านจะบอกจะอธิบายอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจได้นอกเส จ, จากว่าพวกเขาจะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงขั้นเกิดธรรมจักสุเพราะความไม่เข้าใจนี่เองที่ทำให้พวกเขาพากันคิดแล้วก็เชื่อ ว, ว่าท่านเป็นพระอรหัน และท่านก็จะปฏิเสธทุกครั้งว่าไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตามความเข้าใจของพวกเขาและท่านก็ไม่ได้พูดปดแต่ประการใดแท้จริงแล้วความหมายที่ถูกต้องของพระอรหันต์หมายถึงผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือหมายถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดที่ได้บรรลุอรหัตผล พระอัฏกถาจารย์แสดงความหมายของอรหันต์ไว้ห้าในคือหนึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือห่างไกลไม่อยู่ในกระแสกิเลสที่จะทำให้มัวหมองได้เลย 2. กรกจัดค่าศึกคือกิเลสหมดสิ้นแล้ว 3. เป็นผู้หักคือรื้อทำลายกรรมแห่งสังสารจักเสร็จแล้ว 4. เป็นผู้ควรแก่การบูชาพิเศษของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย 5. ไม่มีที่ลับในการทำบาปคือไม่มีความชั่วความเสียหายที่ต้องปิดบังหลวงพ่อครับในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อช่วยให้พรผมด้วยเถอะครับขอให้ผมได้แต่งงานภายในเจ็ดวัน คนอยากเป็นเจ้าบ่าวรอบสองถือโอกาสขอพรท่านพระครูเห็นว่าพรที่เขาขอนั้นเป็นไปได้แต่ถึงเขาจะไม่ขอมันก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เขาทามาจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ท่านจะถือโอกาสประสาทพรให้ตกลงอาตมาจะช่วยขอให้สมความปรารถนานะขอบพระคุณครับ แล้วผมจะพาเจ้าสาวมากราบหลวงพ่อเขาพูดอย่างยินดีพร้อมกับกราบท่านพระครูสามครั้งเป็นการขอบคุณแล้วดิฉันล่ะคะหลวงพ่อจะไม่ช่วยดูเนื้อคู่ให้ดิฉันบ้างเหรอเจ้าคะสาวน้อยวัยหกสิบเรียกร้องบ้างในใจหล่อนคิดว่าสาธุถ้าจะหาคนอายุเท่ากันไม่ได้อีตาคนนี้ก็ยังดี ถึงแกจะอายุเจสิบสองแต่ก็ยังดูนมหลอนไม่รู้เลยว่ามีคนแอบอ่านใจหลอนอยู่ดูให้แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาจะให้พรกำลังคิดอะไรอยู่ก็ขอให้ได้ตามที่คิดก็แล้วกันอาตมาช่วยมากกว่านี้ไม่ได้ปริเดียวจะเป็นอาบัติโทษขอพระคุณเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นดิฉันถือโอกาสลา หล่นกราบงามๆสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหนุ่มวัยเจ็ดสิบสองกราบลาบ้างระว่างแผนแล้วว่าจะชวนแม่สาวน้อยกลับด้วยหลวงพ่อครับพระอรหันต์วาจาศักดิ์สิทธิ์ุองค์หรือเปล่าครับคราวนี้คนที่ถามเป็นหนุ่มวัยห้าสิบเศษถ้าเป็นพระอรหันต์ที่หมายถึงผู้หมดกิเลสแล้วก็ต้องมีวาจาศิษย์ เพราะถ้าท่านพูดไม่จริงก็เท่ากับท่านพูดเท็จแต่พระอรหันต์จะไม่พูดเท็จเนื่องจากท่านเป็นผู้ไม่มีบาปแล้วสิ่งที่ท่านพูดจริงๆทุกเรื่องอย่างเรื่องของพระปิลินทวัต ช, ชะท่านเป็นพระอรหันต์ก่อนมาบวชท่านเป็นพราหมณ์พวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะมีทิฐิมานะมากเพราะถือว่าเป็นวรณะสูงสุดในสังคมพระปิลินทวัต ช, ชะ ท่านสําเร็จเป็นพระอรหันแล้วแต่ท่านก็ยังละวาสนาไม่ได้วาสนาก็คือความเคยชินผู้ที่สามารถละวาสนาได้มีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นแม้พระสารีบุตรซึ่งเป็นถึงพระอัครสาวกท่านก็ยังละวาสนาไม่ได้ทีนี้ท่านปิรินทวัต ช, ชะท่านเคยเป็นพราหมณ์และก็ชอบเรียกวันนะอื่นว่าไอ้ถ่อย ภาษาบาลีว่าวสละหมายถึงพวกที่ไม่สังกัดในวันนะหรือพวกนอกวันนะท่านเรียกคนอื่นว่าไอทอยหรือวสละจนติดปากแม้จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังละความเคยชินนี้ไปไม่ได้วันหนึ่งท่านเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งขับเกวียนบรรทุกสินค้าจะไปขายอย่างตลาด ท่านจึงถามไปว่าบรรทุกอะไรมาไอ้ทอยชายผู้นั้นถูกเรียกว่าไอ้ทอยก็โกรธจึงตอบไปว่าขี้หนูโวยไอ้ทอยความจริงเขาบรรทุกดีปรีมาแต่ความโกรธจึงบอกว่าเป็นขี้หนูพระเปรลินทวัตจะก็เชื่อตามนั้นว่าเขาบรรทุกขี้หนูมาจึงพูดกับเขาว่าขี้หนูหรือไอทอย คลันถึงตลาดก็ปรากฏว่าดีปลีกลายเป็นขี้หนูทั้งเล่มเกวียนเขาก็ตกใจพวกพ่อค้าแม่ค้าก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังคนเหล่านั้นจึงแนะนําให้เข้าไปขอโทษท่านเสียชายคนนั้นก็เดินไปตามหาท่านจนพบเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็ขออโหสิกรรมท่านก็อโหสิกรรมให้เพราะพระอรหรันต์ เป็นผู้ไม่โกรธใครไม่อาฆาตพยาบาทผู้ใดพอท่านเอาหสิ ก, กรรมแล้วขี้หนูก็กลับกลายเป็นดีปรีดังเดิมนี่ก็คือวาจาสิทธิ์ของพระอระหรันต์ดีปรีคืออะไรข้าหลวงพ่อหญิงสาวคนหนึ่งถามขึ้นอ้าว ไม่รู้จักดีปลีหรือโยมรู้จักไหมท่านสามสตรีวัยกลางคนทางปากใต้เขาเรียกพลิกขี้หนูว่าดีปลีค่ะดิฉันไม่ทราบว่าจะใช่พริกขี้หนูหรือเปล่าอ๋อโยมเป็นคนใต้หรือมาจากจังหวัดอะไรละ่ะดิฉันมาจากกรุงเทพค่ะแต่บ้านเดิมอยู่พัทลุงอยู่กรุงเทพมาร่วมยี่สิบปีแล้วค่ะ หลอนตอบแต่ภาคกลางเขาเรียกพลิกเป็นสิวดีปรีฮะนายขุนทองหาโอกาสพูดจนได้อะไรของเองอีกละ่ะพลิกเป็นสิวอะไรข้าไม่เห็นเคยได้ยินท่านพระครูไม่เข้าใจสิ่งที่นายขุนทองพูดแมมลงลุงแล้วก็ที่วัดเราก็มีไงดีปรีนะ่ะก็รูปร่างมันเหมือนพลิกแต่ มีตุ่มๆรอบๆเม็ดหนูก็เลยเรียกว่าพริกเป็นสิวส่วนมะกรูดก็คือมะนาวเป็นสิวและคางคกก็คือกบเป็นสิวชายหนุ่มอธิบายขยายความคนฟังพากันอมยิ้มเพราะไม่เคยได้ยินเช่นเดียวกับท่านพระครูอ๋ออย่างนั้น ห, หรือข้าเพิ่งรู้เอ็งนี่แน่จริงๆ แต่จะให้แน่กว่านี้ก็ไปนั่งข้างนอกดีกว่านิมนต์ท่านไล่ยอย่างสุภาพในขุนทองจึงจำต้องออกนอกห้องไปตามระเบียบเท่าแก่เสงคุณกิมง้อและคุณนายดวงสุดามาถึงตอนค่ ำ, ำเพราะไม่อยากเบียดเสียดกับคนอื่นหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นห่วงเหลือเกินเท่าแก่เสงยเอ่ยขึ้นหลังจากทำความเคารพท่านแล้ว หนูก็เป็นห่วงค่ะอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วใจคอไม่ดีเลยคุณนายดวงสุดากราบเรียนและโยมเท่าแก่มายังไงใครขับรถให้ล่ะลูกชายคนโตของหนูค่ะตอนนี้เรียนจบหมอแล้วคุณนายดวงสุดาตอบหมอหนุ่มจอดรถเรียบร้อยแล้วจึงเดินขึ้นมาที่หลังเขากราบท่านพระครูสามครั้ง เท่าแก่เสงจึงแนะนำว่าคนนี้ล่ะครับหลานชายคนโตของผมหัวแก้วหัวแหวนของคุณกิมงาะเขาเลยล่ะครับเท่าแก่เสงพูดถึงหลานอย่างชื่นชมก่อนหลานคนแรกนี่คะหลวงพ่อฉันก็เลยทั้งรักทั้งหลงและตอนนี้เขาก็มีเห้นคนแรกให้ยาเขาหลงยังกะอะไรดีถึงขนาดลงทุนเลี้ยงเองเลยนะคะหลวงพ่อ คุณกิมง้อฟ้องไกลกลายอ้าวก็ไหนคุณนายบอกว่าจะไม่เลี้ยงหลานจะมาเข้ากรรมฐ า, านไงล่ะท่านพระครูเท้าความหลังรอให้หลานโตก่อนค่ะคุณนายผัดผ่อนสมภารวัดป่ามะม่วงเกิดความรู้สึกว่าคุณนายดวงสุดาเสียสัจจะและเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทครั้นมองหน้าหล่อนอีกครั้งก็ไม่เห็นศีษะเสแล้ว บนบ่ามีแต่คอตั้งอยู่ทว่าศีรษะไม่มีท่านจัดการต่อหัวให้แต่ต่อเท่าไรก็ไม่ติดคุณนายอาตมาขออะไรสักอย่างได้ไหมท่านพูดเสียงเครียดหลวงพ่อจะขออะไรคะถ้าหนูให้ได้ก็จะให้ยกเว้นให้มาเข้ากรรมาฐานหนูคงให้ไม่ได้ อาตมากำลังจะขอให้คุณนายเข้ากรรมฐานเข้าวันนี้เลยเพราะคุณนายกาลังมีเคราะห์ท่านพยายามหาทางช่วยหากคุณนายดวงสุดายอมเข้ากรรมฐานเสียในวันนี้หลอนก็อาจจะไม่ตายรครอกคะหลนมีท่าทางตกใจหน้าซีดเปื่อยลงทันทีงั้นเดี๋ยวไม่ต้องกลับบ้านแล้วไปเข้ากรรมฐานวันนี้เลย คุณกิมงาอบอกลูกสาวหมอหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าไม่ได้หรอกครับอามาพรุ่งนี้แม่ต้องผ่าตัดผมนัดหมอไว้เรียบร้อยแล้วคำพูดของหมอหนุ่มทำให้ท่านพระครูรู้ว่าคุณดวงสุดาจะตายเพราะผ่าตัดนี่เองคือพรุ่งนี้หนูต้องผ่าตัดข้าหลวงพ่อหมอเขาเอ็กซเรย์ปอดพบว่ามีจุดขาวเล็กๆอยู่จุดหนึ่ง เขาเลยจะรีบผ่าให้ถึงอย่างไรหนูก็ยังเข้ากรรมฐานไม่ได้เอาไว้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่อยมาคงไม่เป็นไรมั้งคะท่านพระครูอยากจะบอกว่าหากไม่เข้าวันนี้หล่อนจะหมดโอกาสหากท่านก็บอกไม่ได้จึงใช้วิธีอัญเชิญพระพุทธวจนะมากราวให้หล่อนฟังอัปมาโทอามาตังปะทัง ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปะมาทโทมัทจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอภมาตตานะมียันติผู้ไม่ประมาทไม่มีวันตายเยปมาตตายัถามตาผู้ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วแต่อนิจจา คนถึงคาดอย่างคุณนายดวงสุดากลับฟังไม่รู้เรื่อง